สติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสถึงทุก11ประการปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ส0ข้อที่294หน้าที่240ถึง341ความว่ากระตะมันจะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรน้ำปิทุกขัง โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดชังนละลพติตมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเป็นอย่างไร แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็น yes. ที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งหเป็นตัวทุกข์ทุกสิบเประการตามพระพุทธพจน์ข้างต้นนี้3ประการแรกคือความเกิดความแก่ความตายซึ่งคือชาติชรามรณะจัดเป็นทุกข์ประจำส่วนที่เหลืออีก8ปประการจัดเป็นทุกข์จร บุคคลผู้บรรลุนิพพานถือว่าพ้นจากทุกขโดยสิ้นเชิงคือพ้นจากทุกขประจําและทุกจรได้เพราะเมื่อไม่ต้องเกิดอีกก็ไม่ต้องประสบกับทุกข์ในสังสารวัฏอีกต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงต้องการอนุเคราะห์ในสมชายสิทธิผู้รับใช้ท่านมาด้วยความซื่อสัตย์ท่านจึงสวดสาธยายคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคล อธกาถารสนาโดยสมเด็จพระนพรัตวัดป่ากแก้วที่ท่านได้พบในพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมาให้ในายสมชายฟังเป็นคนแรกและแปลให้ฟังด้วยเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ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 เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วทรงเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้สวาคาโตภะควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาไว้ในใจอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังคโฆอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสสะปุคัลาเอสะภะควัตโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุน ayo ทักเกนโยอัญชรีการานิโยอนุตตะรังบุญยเกษตรโลกาสาตติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรได้แก่คู่บุคคลสตัวบุคคล 8. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังคริเมคลังอุทิตโครสะเสนะมารังทานาทิธรรมะวิธินาชิตะวาโมนิโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยะมังคลานิ พระจอมมุนีทรงผจนกับพยามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้งพันแต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคาลิเมฆละพร้อมทั้งเสนาโหร้องก้องกึกหน้าสะพลึ่งกลัวทรงพิชิตพยามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบา ร, รมีทั้งสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบา ร, รมีเป็นต้น ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมานั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกมะพิยุจิตตะสัพพารติงโครมปนาระวะกะมัคคมะทัทยายขังคันตีสุทธะตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชัสสะพะวตุเตชายะมังคลานิพระจอมุนีทรงพจญกับอรารวากยักษ์ ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายเหี้ยมโหดซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งพจนพญานทรงพิชิตพญายักษ์ด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิลิงขาชา ว, วารังอติมัตตภูตัง ภาวคิจ ก, กะมะสนิวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวัตตุเตชายามังฆลานิพระจอมุนีทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจากกราวุธและสายฟ้า ทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์ผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุกิตตขัดคมะติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัฏถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตมนโนชิตตะวามนินโธตันเตชาาะสาภวตุเตชยมังคลานิ พระจอมุนีทรงผจญกับโจรองคุลิมานผู้ดุร้ายยิ่งถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่พระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยศทรงพิชิตจอมโจรด้วยทรงบรรดาลอิทธิฤทธิทางใจอันยอดเยี่ยมด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตจอมโจร น, นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตวานะากัตทมุทรังอิวะคับพินิยา จินจายะทุทธวจนังชนะกายะมัเชสันเตนะโสมวิินาชิตตวามุนินโทตันเตชาศาภวตุเตชายะมังคลานิพระจอมุนีทงรงผจนกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทําเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชน ทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหลุดไทยเป็นสง่าเฉยอยู่ดังพระจันเพนด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมะติสัจจกะวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอติอันทภูตังปัญญาปฏิปะชะลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชาาัสสาภวัตตุเตชยมังคลานิพระจอมุนีทรงผจญกับสัจกนิครนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจกะนิครนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อชาสายแล้ว ปรัเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนิครนนั้นเพราะชยงมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนัทธพุชคังวิพุทธังไม่หิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะทมาปยันโตอิทูปะเทศะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตตุเตชยมังคลานิ พระจอมุนีทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากหากเป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคลานะพุทธโอรสเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหาทิฏฐิผู้ชัเคนะสุทัตะหัดถังประมังวิสุทธิชุติมิตริพกาพิธานังยานาคเทนาวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชสาพวัตตุเตชยมังคลานิ พระจอมุนีทรงผจญกับเท้าพกาพรมผู้สําคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อานาจกว่าใค ร, ใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรมเป็นอมตะประดุดถูกงูรักที่มือทรงพิชิตเท้าพกาพรมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรมนั้น ขอชยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตกถาโยวาจนโนทิณะทิเนสะรรเตมตันทีฮิตวานะเนกะวิวิธานิจุ ป, ปัฏทวานิโมขังสุขขังอธิขมยะนารสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียรติคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวัน น, นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตตวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอนเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพานินางอุเรตวาปารมีสัพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะ โหตุเตชยมังคลังพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งปวงสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหากรุณายังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอชยมงคลจงมีแก่ท่านช ย, ยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒนโน ชยันโตโพธิยามูเลสกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหติชยสุขยะมังคลังอปราชิตะปลังเกสีเสปตะวีโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปโตปโมทติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงะจนมาน นาโคลต้นโพพฤกถึงความเป็นผู้เลิศแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เจริญความยินดีแก่พวกศักยะราษว่าพระองค์ทรงชนะมาร น, นอปราชิตบัลังอันสูงเป็นจอมมหาปตพีฉันใด ขอท่านจงมีชัยชนะฉันนั้นสุนักขัดตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุติตังสุขะโนสุโมหุตโตจะสุยิตถังพระมจริสุปทัทขคินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทัทขคินงังปทัทขคินงังโนกัมมังปะนิธีเตปทัทขคินาปทัทขคินานิกัตตวานะและพันตัดเถปทัทขคินเ สัตว์ทั้งหลายประพฤติ ช, ชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีและขณะดีบูชาดีแล้วในพรมจรรีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นประทักศิณวจีกรรมเป็นประทักศิลมนโนกรรมเป็นประทักศิณความปรารถนาของท่านเป็นประทักศิล สัตว์ทั้งหลายกระทํากรรมอันเป็นประทักศิณแล้วย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักศิณเพระวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อพระวัตตุสัพพังขลังรักันตุสั พ, พเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตาสดถีพระวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อสาธุ นายสมชายซึ่งขับรถมาเรื่อยๆไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปยกมือขึ้นอนุโมทนาสาธุเมื่อท่านสาธยายพาหุง ม, มหากาจบลงการปล่อยมือจากพวงมาลัยรถอย่างกระทันหันเป็นผลให้รถเฉลลบไปเล็กน้อยโชคดีที่ไม่มีรถคันอื่นแล่นตามมาจึงไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆเขากำลังคิดสงสัยว่า จะเป็นเพราะอนุภาพแพงคาถาพาหุงมหากาใช่หรือไม่หลวงพ่อของเขาก็ขจัดความคิดสงสัยของเขาออกไปด้วยการพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่ใช่ละ่ะก็ที่ฉันสวดสาทยายไปเมอตะกี้ที่ว่านรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียดคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวัน น, นรชนนั้นจะพึงละเสได้ซึ่งอุปัตตวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอนเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแลเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับแต่ยังเข้าใจไม่ทั้งหมดที่ว่าไม่ทั้งหมดคือตอนท้ายที่ว่าจะถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแแลนั่นคืออะไรครับฉันยังไม่อธิบาย เพราะยังไม่ใกล้ตัวเธอมากเอาไว้เธอไปฝึกสวดสาธยายจนจําขึ้นใจและเข้าใจความหมายดีแล้วฉันจะบอกท่านพระครูยังไม่อธิบายในส่วนที่เป็นโลกุตระนายสมชายจึงแย้งว่าก็ถ้าผมไปฝึกสวดสาธยายจนจําขึ้นใจและเข้าใจความหมายดีแล้วผมก็คงไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหรอกครับ หลวงพ่อพูดฟังเข้าใจยากมากขึ้นทุกวันนายสมชายพูดแบบน้อยใจและไม่ค่อยเข้าใจหลวงพ่อของเขาสักเท่าไหร่จะเป็นเพราะตัวเขาแก่ลงหรือว่าหลวงพ่อของเขาชราภาพลงก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ยากแท้แต่ไม่เคยท่านพระครูพูดขึ้นลอยๆแต่ถักเคยแล้วก็ไม่ยากนายสมชายพูดขึ้นลอยๆเหมือนกัน เขารู้ว่าคำพูดที่หลวงพ่อของเขาและเขาพูดขึ้นลอยๆนั้นเป็นคำสอนสัทยายของหลวงพ่อของเขาสอนหลานชายจอมเกเรซึ่งก็คือหลวงพ่อของเขาอีกนั่นแหละความที่ท่านเล่าเรื่องนี้บ่อยๆเวลาสอนญาติโยมเขาจึงจําได้ขึ้นใจท่านพระครูรู้ความคิดของเขาจึงสรุปว่า ดีแล้วถิดเธอจาคำสอนของโยมยายฉันได้ขึ้นใจทีนี้ฉันก็จะสรุปความของคาถาพาหุงมหาการุณิโกที่ฉันสวดสาธยายและแปลให้เธอฟังตั้งแต่ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลมาว่าคาถาพาหุงมหาการุณิโกนั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดของพระบรมศาสดา ที่ทรงชนะพญาวสวัติมานอรวะกยักช้างนาราคิรีโจรองคุลิมานนางจินจมานวิกาสัจจนิคร น, นันโทปนันทา น, นาคาราชและพกาปรมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปฏิหารและด้วยอนุภาพแห่งพระบารมีธรรมโดยแท้ ผู้ใดได้เซวยสาธยายเป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดการมีสติระลึกได้แต่ตายก็ไปสู่สุขติภูมิต่อไปนี้ฉันจะนำคาถาพาหุงมหาการุณิโกมาเผยแพร่แก่ญาติโยมให้สวดสาธยายกันมากๆยิ่งถ้าสวดกันทั้งประเทศก็จะทำให้ประเทศมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พวกคนพานสันดานหยาบก็จะแพ้ภายไปเองเธอเป็นคนใกล้ชิดฉันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเธอควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เธอคิดว่าจะสวดได้ใช่ไหมครับผมได้ยินจนชินหูแต่ไม่ได้ชินหัวเลยจำไม่ได้ผมอาจหัวคิดทื่อก็ได้แต่เอาเธอครับ ในฐานะที่ผมได้รับเกียรติจากหลวงพ่อให้เป็นคนแรกที่ได้ฟังเรื่องดีๆอย่างนี้ผมจะพยายามสวดสาธยายพาหุงมหากาศทุกวันแต่ถ้าจำไม่ได้พระหัวคิดทื่อก่อนนิมนต์หลวงพ่อช่วยเป่าหัวให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับนายสงชายสรุปฉันคงไม่รับนิมนต์เพราะเกิดเป่าหัวเธอคิดทื่อหนักกว่าเกา ก็จะเป็นบาเป็นกรรมกับฉันท่านพระครูปฏิเสธอย่างนิ่มนวลสิทธิ์กำลังคิดหาถ้อยคำที่จะนำมาโต้เถียงคิดอยู่นานหากก็คิดไม่ออกจึงไม่มีถ้อยคาที่จะมาโตเถียงอาจารย์กลั้นกราบเรียนถามท่านตามตรงก็เกรงจะเสียหน้าจึงทำท่าขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจกระตั้งถึงวัดป่ามะม่วง พรุ่งนี้มารับชั้นหกโมงเช้าเราจะไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคลหกโมงครึ่งฉันจะนําพระซุ้มเสมาชัยซุ้มเสมาขอไปร่วมบรรจุไวที่ยอดพระเจดีเขาจะปิดยอดบัวพระเจดีพรุ่งนี้ท่านพระครูสั่งนายสมชายให้มารับแต่เช้าแล้วหลวงพ่อไม่ชั้นเช้าก่อนละครับ สิทธามยังเป็นห่วงเรื่องปากท้องของอาจารย์เรื่องขบชั้นชั้นพักไว้ก่อนเรื่องงานสำคัญกว่าท่านบอกสิทธิ์แล้วหลวงพ่อจะฉันเพนที่วัดใหญ่ชัยมงคลไหมครับถ้าด็ อ, อร์กิงแก้วเขานิมนต์ก่อฉันแต่ถ้าเขาไม่นิมนต์ก็จะไม่ฉันท่านตอบหากก็รู้ว่าดกรกิงแก้วจะนิมนต์ท่านฉันเพน หลังจากเสร็จพิธีปิดยอดบัวแล้วถ้าเขาไม่นิมนต์หลวงพ่อจะกลับไปฉันที่วัดเราทันไหมครับนายสมชายถามอีกเอาละเอาละไม่ต้องถามมากไว้พรุ่งนี้เธอจะรู้เองรีบกลับบ้านไปหาลูกเธอพรุ่งนี้หกบมงเช้าเจอกันท่านพระครูพูดตัดบทคืนนั้นหลังจากเสร็จภารกิจต่างๆแล้ว ท่านพระครูก็จำวัดเมื่อเวลาสองยามท่านล้มตัวลงนอนอย่างมีสติยังไม่ทันหลับก็ได้ยินเสียงดังโครมและเสียงเบรกรถอย่างแรงท่านกำหนดเสียงหนอสามครั้งเพื่อจะรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเห็นหนอรีบรายงานว่าเป็นเสียงเบรกรถของเขาทรายพี่ชายคู่แฝดของเขาคา เขาขับรถเบนซ์จากเพชรบูรณ์จะเข้ากรุงเทพขับด้วยความเร็วสูงเมื่อถึงทางโค้งก็ไม่ยอมโค้งตามทางรถจึงแล่นแหกโค้งพลิกคว่ำตกถนนไปเขาตกใจเหยียบเบรกสุดแรงเกิดตอนนี้คนขับนอนหลับสลบอยู่ในรถหากท่านไม่ช่วยคงม้วยมอดอย่างแน่นอนบอกเท่านี้แล้วเห็นหนอก็ขอลาไปพักผ่อน สมภารวัดป่ามะม่วงลุกขึ้นนั่งสมาธิเพื่อจะแผ่เมตตาไปให้เขาซรายกาแล็กซี่ในฐานะที่เขาทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติชื่อเป็นแชมป์มวยโลกตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2527แล้วเขาก็จะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไว้ได้ถึง19ครั้งโดยจะชนะน็อก16ครั้งส่วนเขาคอน้องชายคู่แฝดนั้น จะได้เป็นแชมป์โลกอีกสองปีข้างหน้าคือปีพุทธศักราช2531แต่จะไม่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้เพราะจะเป็นโรควูบคนโบราณถือว่าเด็กฝาแฝดนั้นคนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ก่อนคนนั้นเป็นน้องเขาคลอดคลอดก่อนเขาทายจึงเป็นน้องแต่สุติแพทย์จะไม่ถือตามโบราณคนไหนคลอดก่อน คนนั้นเป็นพี่เพราะฉะนั้นถ้าถือตามมาติของสูติแพทย์เขาเคาะก็เป็นพี่ของเขาสายพี่น้องคู่แฝดไม่ได้รู้จักท่านและไม่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เพราะเขาทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติจึงถือเป็นบุญอย่างหนึง่งบุญนี้จึงทำให้ท่านได้ช่วยเขาทั้งที่ไม่รู้จักกันหากเขาไม่มีบุญก็คงต้องตายอยู่ในรถแต่เมื่อท่านแผ่เมตตาให้ ก็จะมีตำรวจสายตรวจมาพบแล้วก็พาเข้าส่งโรงพยาบาลหมดหน้าที่ของท่านแล้วจึงจำวัดต่อ